اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.اليوم تجذب كل نفس بما ك ب ا ل ي و كل ن بما كسبت. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب <تصفيق> إن الله سريع الحساب وأن <تصفيق> ز ر و م يوم الازفة إذا القلوب لا دلحا ناجريك عظيم ما الظالمين من ح م ي م ولا سفيع يطاع. علم خ ا ئ ن ة الأعين، وما ت خ ف ي الصدور، والله ي ق ض ي ب الحق. الذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إ الْمَسِيرِ الله واسمع بصير وَالَّذِينَ يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَيَعْذُرُونَ كيف كان عقبت الذين الذين كانوا من قبليم الذين كانوا من قبلهم كانواهم أشد منهم قوة وآثار في الأرض فأخذهم الله بدونهم. อามะกนลบวะกอฮานัดยูนุฮุมกานัตติห์ أ َ ن َ ت َ ت ِ ي م ر ُ س ل ُ م ِ ب ِ ب َ ي ّ ن ا ت فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ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 و ا ش ه د ُ ن ا ل ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه و ح د ه ل ا ش ر ي ك ل ه و ا ش ه د ا أ ن م ح م د ً ا ع ب د ه و ر س و ل ه ا ل ل ه م ب ك أ َ ح ن ا و ب ك َ أ م س ي ن ا و ب ك ن ح ي ا و ب ك ن م و ت و إ ل َ ي ك ا ل ن ش و ر أ ع و ذ بِكَ ل ِ ل َّ ا ل ت ا م ا ت م ن ش ر م ا خ ل ق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 اللهم عافني في بدني وعافني في سمي وعافني في بصر ي اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشرك وأن أقترف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملج والحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل و س و ء ا ل ك ب ر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أن من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه و ز ن ة أ ر ش ه ومداد كلماته ยา حيو يا قيوم برحمنك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفت عين حسبي الله ونعم الوكيل ا ل س ل ا ل ي ك م و ر ح ل ل ه و ك ا ت ه ล่ามดีเลด้าพี่น้องที่ร่วมนมาสบอที่มัสยิดอันวาลิสุนาที่รักทั้งหลายครับยาพี่น้องที่ติดตามรายการ ที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับฟานผ่านเฟซบุ๊สวรรค์สวรรค์นนในบ้านนะครับแล้วก็ทีเอ็มทีวีนะครับอัลฮัมดุลิลละด้วยความเมตตาของอัลลอพี่น้องอัลลอฮฺให้เรานะให้เราตื่นมานมาสุบโบเนี่ยก็ใ ห, ให้แล้วก็ให้เรากลับเนื้อกลับตัวมาอยู่ในศาสนาของอัลลอนี่ครับ อัลลอฮ์ให on ้ท <laughs> ั้งหมดคุณอาาญาไหนเราเรียนมาแล้วนี่นะอัลลอ์นี่อะไรนะวไม่วะมันตะกิยอาตใครที่ปกป้องตนเองจากความชั่วอัลลอฮ์ร่ำหิมตะหูอัลลอฮ์เมตตาคนๆน่อย่าคิดว่าเราเก่งนะอัลลอฮ์ให้นะท่านต้องขอบคุณอัลล์ให้เยอะนะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านน้าะ ท, ที่สิบหกใชมนะพูดถึงเรื่องอะไรรู้นาางนะพูดถึงเรื่องเยามะฮุมบาลิซูนทุกคนจะต้องออกมาออกมาจากไหนกัไนะเนี่ยออกมาจากหลุมฝังศพนี่เล่าภาพอาคิรอมหมดเลยนะเล่าภาพอาคิรอมนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดของที่เอาลอด ตัดเอาไว้ใ น, น, ก, นการพิจรณาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไปเนาสรุปผมสรุปสั้นๆกันว่าภาพในวันอาเซอรอนนี่นะ่ยมีเยอะแต่จะเล่าสักสิบภาพนะจะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังนะและตัวผลก็ได้ความรู้ด้วยเอาแค่สิบเก่านะนะคี่ต้องนึกนะบนบ น, บนดุนยาบันนี้เนี่ยเราผ่านกี่ขั้นตอนอตอนตอนเด็กใช่ไหม ตอนหนุ่มแล้วก็ตอนตอนแกใช่ไหมมีลำบากมีสบายมีแค่สองอย่างมันมีไม่เกีากายนะแต่ชีวิตหลังตายไปแล้วนี่วันกิยามัตินี่นะครับถ้าที่ผมเช็คได้นี่นะมันเกินเกิ น, เ ก, นเกินสิบนะจะเล่าให้สิบก่อนนะคข้อที่หนึ่งมาเลก้กาจะนั่งอะไรเปล่าสังใช่ไหม เป่าครั้งแรกเนี่ยตายก่อนและเป่าครั้งที่สองเนี่ฟื้นหมดเลยและผู้ที่เป่าตอนเป่านะมีมัลลิกาสามองค์นั่งอยู่มัลลิกาองค์งกลางเนี่ยเป็นบคนเป่ายิบรีนอยู่ด้านขวาอิสราอฟินอยู่ด้านด้านซ้ายนี่อัลลอฮฺนบีเล่าให้ฟังเรื่องจริงไหมจริงครับหนึ่งเป่าสังและเป่าครั้งที่สองนี่ฟื้นหมดเลย เครื่องที่สองฟื้นฟื้นชีพจับกูโบนี่เป็นเรื่องจริงจะนับถือศาสนาใดก็ตามเถอะอัอลลอ์ให้ฟื้นหมดใช่ไหมเรื่องที่สามนะครับคนที่ตื่นเนี่ยหรือคนที่ฟื้นจากหลุมฝังศพเท่าเป็นคนที่อะไรนะตายในหุ้นทางของอลัลลอ์นี่นะเช่นถูกยิงตายถูกเอามีดฟันตายใช่ไหม เลือดของเขาจะไหลออกมาจากหลงฟังสนนะเลือดไหลครับแต่เลือดนี่กิ่นหอมมากครับอันแลสบายใจนะกินหอมมากลอ้อว่าเลือดนี้ไหลนะจะกลิ่นหอมเรื่องที่สี่นะครับไปรวมตัวกันที่ทุ่งมัสชัทซึเราก็ผ่านหูกันมาหลายครั้งเลยนะรวมตัวกันที่ทุ่งมัสชัททุ่งมัสชัทอยู่ที่ไหน นบีเล่าใฟังเลยนะอยู่ที่ประเทศประเทศชามประเทศชามก็อนหนสมัยก่อนประเทศชามรวมหมดเลยเลยนะประเทศใดนะที่ทะลอะกันอยู่เนี่ยซีเรียอช่ ไ, ไหมนั่นนะจะไปรวมตัวกันตรงนั้นนี่เปเรื่องจริงทั้งหมดครับนบีเล่าเองนะอิบรามอาัลฮมมัดแล้วก็ความโกลาหลความวุ่นวาย ในทุ่งมหัศปัญหาเยอะมากแล้วก็ปัญหามีอะไรเดี๋ยวจะอธิบายกูอ่านอธิบายให้ฟังเองคุกความวุ่นวายมีอะไรบ้างข้อที่เจ็ดดวงอวาทิตย์กับความร้อนเนี่ยเอาลออักษรดวงอาทิตย์กับความร้อนนี่นะเหงื่อบางคนถึงตาตุ่มเหงื่อบางคนถึงหัวเขา่าเหงื่อบางคนถึงเอว แล้วก็เงือบางคนถึงคอเอา้าใครอยากเลือกจะ ต, ต้องว่าเงือก็เชิญใช่ไหมเอาถึงก็หอยจะจะจะนึกภาพว่ายน้ำมาะลยอย่าไปหวังเลยทน <c oughs> นะข้อที่แปดมันมีบอ่อน้ำเก่าซักข้อที่เก้ามีชฝาชฟ้าแปลว่าไงรู้เปล่าอนุเคราห์ช่วยเหลือ จะไปหานาับีกันหมดเลยหาอบีมุฮัมมัดอบีจะช่วยผมหน่อยค้ารอไปไม่รอดแล้ววันนี้าด่านบี ม, มุฮัมมัดใช่หรือไม่ใช่ตำหนิอัลกุรอานใช่ไหมวันนั้นจะวิ่งหากันหมดหาคุรอานก่อนหานบีก่อนหาคนานั้นหาคนนี้นนนนเอ็งอย่าไปสินี่อับด์นัดเล่าให้ฟังนนะข้อที่สิบคิดบัญชีวันนี้พูดเรื่องการคิดบัญชีด้วยนี่นี่สิบรายการนะ ไอ้ตอนช่างตช่างอะเท่าไรตอนคิดบัญชีอีกเท่าไรล่ะเรามีสภาดีล่ะล้วมีนารก น, นี่นี่เล่าแค่ส0บรายการนะฉะนั้นนบีเลยสั่งบ่าว่าให้พวกเราเนี่ยอยู่บนดุญยานี่นะให้นึกถึงโลกอาคีระอเยอะกว่าโลกดุญยาแต่ให้ตัวปัจจัยที่เราไม่คิดถึงเรื่องนี้นะนี่สี่เรื่องวิ่งหาเงิน หาเงินหาเงินนี่น บ, บีสอนเองระวังหน้าการหาเงินเนี่ยทำให้คุณลืมนามาศนะวิ่งหาเงินคุณลืมนึกถึงภาพสิบภาพในโลกอาคีร์ร้อวิ่งหาตําแหน่งหาชื่อเสียงเกียรติยศวิ่งหาผู้หญิงเอาดารากันน่ะโอ้โหเนี่ยไอห้าหกรายการเนี่ยทำให้คุณลืมนึกถึงภาพในโลกอาคีร์ร้อนบีเลยสั่งนะมุมินนี่พยายามนึกถึงภาพอาคีร์ร้องมากกว่าภาพบนดุนยาอย่างนี้เป็นต้น เวันนี้มาเจออัะ่สิบจนะครับอลมุจซุลนัซิมบีมาคาซาบัดลาซุลมันยอุมอินนัลลอฮ์เสรีอัลฮิซับอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮดีมากครับอลม ตูจะาคุณนับสิบดีมากซบัดละทุลมะยูมอินนัลลอรีลฮิบแล้วก็นวันเทียงมะเนี่ยวันอะไรรู้เปล่า อ, อาา้าวันศุกร์เอ้าถาม่าวันศุกร์เนี่ยคนมีศัสนาเนี่ยเขาทำอะไรหนึ่ง อาบน้ําใช่ไหมแล้วก็แต่งตัวเสื้อผ้าสะอาดเก่าก็ได้ขาดก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกใส่เสื้อสะอาดแล้วใส่เครื่องหอมเล็กน้อยแล้วก็เดินมามสัสยิดถ้านนั่งอยู่ในมสัสยิดถ้าเกิดวันเกียรติมาในวันศุกร์มุสลิมปลอดภัยไม่ทั่วโลกเอย่างครับนั่งอยู่ในมสัสยิด แต่งตัวเรียบร้อยหมดแล้วอาบน้ําแล้วแปลงฟันเรียบร้อยอาบน้ำนําหมาดมานั่งอยู่ที่มัสยิดเหมือนกับตายไม่ต้องไปอาบน้าเพราะอาบน้าไปแล้วใช่ไหมใช่เห็น <c oughs> ยังครับนี่เลารถจัดเอาไว้จัดเอาไว้จัดเอาไว้ฉนั้นคนที่มีศัสนาต้องนึกวันนี้วันศุกร์เฮ้ยมันเกี่ยมมากหรือเปล่า <c oughs> นี่พวกอ่านฮัสซิดนะวันศุกร์เนี่ยอะไรกลัวรู้เปล่ามาเลยก้ากลัว แล้วก็ชั้นฟ้ากลัวอาแผ่นดินกลัวรียลมกลัวยิบ้าลภูเขากลัวทะเลกลัวทั้งหมดนั่นกลัววันสุกหมดเลยกลัวจะเกิดวันเกี่ยมาแต่มนุษย์ <c oughs> กลัวหรือไม่กลัวเฉยเฉย ตอนนี้นบีลเล่าให้ฟังหะดีกับ อ, อิหม่ามอิบนุมาเจ้าฮะดีที่แปดร้อยแปดสิแปดงน า, าก็กลัวเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นคนอะไรบ้างชันฟ้ากลัวมะลายกากลัวแผ่นดินกลัวลมกลัวภูเขากลัวท้องทะเลมหาสมุทรกลัวหมดวะหุนนายชฟัดนมินเยาหมิญเยาหมิญจุมาพวกเขากลัววันสุกกลัวจะเป็นวันกียามะเหน็นยัง นี่เอาปอ่านคุณบ้าต่อได้เลยอ่ะเอาไปสอนต่อเนี่ของเราว่านะจมาไปสอนนี่ยต้องเอาความรู้ไปไป ใ, ให้กับคนอ่ะไอตัวอ้ามือพี่น้นองเอ้ยคนสุขต้องวามตัวให้ดีนะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อาบน้าอาบตาให้สะอาดอย่างนี้เป็นต้นอันเดียววันนี้อ่าวันนี้มาถึงวันอะไรวันเกี่ยมาเห็นมจุดจะจะถูก ตอบแทนกุลูนับสินทุกทุกชีวิตเห็น ไ, ไหมยกเว้นเปล่าฉันนับเธอศาสนาคริสต์ฉันไม่ฟันไม่ฟืน้นเว้นไหมไม่เว้นกุลุนับสินทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้เกิดมาเท่าไหราตายเท่านั้นแล้วก็ฟื้นทุกชีวิตไม่ยกเว้นด้วยเองจะเอาอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์จะเอานบีไม่เอานบีหมดเลย บีมากาซาบัตบีมาแป้ ว, ว่าตามที่กาซาบัตได้ขวนขวายดูประกอบเอาไว้เอเลาะจะตอบแทนวันเกียัติทุกทุกชีวิตตามที่เขาได้กระทาเอาไว้บนโลกดุนยาเห็นไหมทั้งคนที่เดินมานมาศ ก, ก็ตอบแทนคนที่ไม่เอามาลอะ ก, ก็มีรางวัลตอบแทนแบบไหนแบบชั่วๆนั่นแหละนะอย่างนี้เป็นต้น ลาซุลมลาเลวอย่า่อนเรา เ, าเองนะวันนี้ไม่มีการอายุติธรรมเรื่องซอเรมไม่มีครับไม่มีพวกตัดสินตรงๆครับคณะดามอะก้ายังกลัวเลยภูเขายังกลัวเลยวันศุกร์นะใช่ไหมยังไม่ถึงวันเกียมาหนะแค่วันศุกร์เนี่ยสรรพสิ่งบนโลกนี้กลัวหมดแล้วกลัวจะเป็นวันกียร์มา ละรุ่นมาเลวในวันเกียมากความซอเล็มไม่มีครับตกงไปตรงมานะอินนัลลอฮ์สลีย์อัลฮิซับอินน่าแท้จริงอัลลอฮ์สลียนแปลว่าฉับพลันหรือไวฮิซาบแปลว่าคิดบัญชีเมื่อวานนี้มีคนโทรศัพท์ามาถามผม ในวันกี่วันเนี่ยมันยาวห้า0มื่นปีใช่ไหมเขาบอกใช่แล้วรอคิดบัญชีเนี่ยกี่วันในฮะดิษอธิบายบอกว่าอัลลอ์คิดบัญชีแค่ชั่วโมงเดียว <c ười> คิดบัญชีมนุษย์บนโลกนี้จะเท่าไรก็ตามซาตาันว่าให้ดานแค่ชั่วโมงเดียวหรือแค่ครึ่งวันแต่จะเช้ามาถึงเที่ยงเนี่ยจบแล้ว นี่คิดมันชีวัยด้วกันนานนี้นี่นนนอลัลลอ์ให้นบีมาเล่าให้ฟังให้คนบนโลกนี้ให้คิดถึงโลกอาคิโรเยอะๆนะเอามาดูคนที่อยู่ในทุ่ง ม, มาชัดนี่นะคนที่อลัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติสง่างามเนี่ยผมเช็คคัดิจามีมาสิบสองสบกลุ่มนะกลุ่มที่หนึ่งอยู่ในทุ่ง ม, มาชัดนะ สง่างามครับเดินเนี่ยคนมองมันหมดเลยนะหนึ่งคนที่อาการยนำมาบอกว่าารัลว่ามันมาเราเนี่ยได้แลละ <laughs> แต่ต้องมาบ่อยนะซุบะไม่มากระผิดนะต้องมาด้วยนะอินุวาจักกลุ่มที่สองคนที่เป็นผู้นำคนแล้วก็ตัดสินคดีต้มไปตรงมาไม่เข้าพวกอันนี้พวกฉัน ไม่ใช่อาเดลความยุติธรรมกลุ่มที่สามคนที่ไม่เลือกเสื้อผ้าแต่งตัวตามแฟชั่นโอ้โหทุบหมเลยแต่งตัวอย่างเดียวเอาไว้ขาวใส่หมวกตามแฟชั่นเปล่าเปล่ากับทุกได้ <c oughs> จากนั้นคนที่ไม่แต่งตัวตามแฟชั่นไม่แต่งตัวตามตามอะไรนะ ตามแฟชั่นที่มาจากฝรั่งเศสนะนะคนนี้แบบจะสง่างามในทุ่งม้าชาัดอัดิสอิมัมติมีรีนะครับเอาเรื่องที่สี่นะครับคนที่มีรักษาน้ํามณามาตอยูเป็นประจำเอารอเดินในทุ่งม้าชาัดนี่สง่างามมือนี่มีรัศมีใบหน้ามีรัศมีต้องอาบน้ําน้ำมาตามสุนนะนบีนะไม่ใช่ตามคนนั่นตามคนนี้ไม่ใช่ ต้องตามซุนน่านาบีเพราะนาบีเป็นบุคคลตัวอย่างคนเดียวในโลกที่อัลลอ์ส่งมาครับข้อที่ข้อที่ห้า อ, อิห ม, ม่มามอิอหม่มามอิบヌอัมัดอิหม่ามอัหมัดบอกว่าคนที่ทะเลาะกันแล้วก็เราได้ถูกรังแกมีความสามารถที่จะแก้แค้นได้แต่ไม่แก้ท่านยก อาภาัยให้คุณเนี่อย่างเป็ด็อกเตอร์อะไรอยูในอเมริกาที่ลูกลูกลูกลู ก, ลกชายว่าถูกฆ่าตายนะเนี่ยดิลลีลาเรามีบาครับฉันให้อภัยเองดาจานี่ว่าให้อภัยโกงที่ฉันให้อาภายัเอาาออาภา ย, าภายเขาไปเจอเนี่ยอ่ะเคยร้ อ, รองเลยคนโกงอ่ะแต่เราได้ปลอดภัยหมดแล้วอัลฮัมดุลิลลาตกลงว่า คนที่ไม่แก้แค้นทั้งๆที่เรามีความสามารถแก้แค้นได้อลลอฮฺรักบัดในกลุ่มที่ห้ากลุ่มกลุมกลุ่มที่หกเด็กหนุ่มๆที่ใช้าชีวิตอยู่ในการพักดีต่ออลลอฮฺการทํามีลูกสาวลูกชายนะให้นีลูกศาสนาเนี่ยไม่ใช่ลืมหาเงินโยงทางลูกเต้ามันดี๋ยนี้นศึกษาศาสนาอ่านกูร์านไม่เป็นอะไรไม่เป็นอันนี้หนักครับกลุ่มที่เจ็ดนะครับ คนที่หัวใจของเขาผูกพันกับมัสยิดเห็นไหมกลุ่มที่แปดคนที่รักกันเพื่ออลัลลอฮ์อย่างสามีภรรยาเนี่อรักกันเพื่อ อ, อัลลอฮ์เราก็เลิกกันก็เพราะเพราะทรยศต่อเราจนอยู่กับเธอไม่ได้นฉะันอยากกันนะแต่อยากกันดีๆมันจะตกใีกันก่อนแล้วก็เลิกกันนะไม่ใช่นะกลุ่มที่เก้าชายที่ ที่ผู้หญิงเชิญให้มาทำสีนามาร่วมหลับนอนหน่อยเอารถมารับหน้าบ้านเลยอ่ะไปก็ไปกับหนูไหมแล้วก็ชาค น, I, I Allah, น Allah, ที่พูดว่าลาลาไอไออลเฟรตเอาเราเชกัวนเหไปกับเธอไม่ได้เนี่ยคนประเภทนี้นะครับจะสง่า ง, งามในทุ่มมาชัดข้อที่สิบคนที่บริจาคเงินของเขาทรัพย์สินของเขาของชายของเขาเพื่อเอารถโดยมือขวาโดยมือซ้ายไม่รู้ อธิบายยังไงไม่โฆษณานะไม่ต้องผ่านทีเอ็มด้วยไม่ต้องผ่านทีวีวายชนันด้วยไม่ต้องผ่านทีวียติมด้วยฉนันให้เงียบๆเลยเอาไปเลยจบอันนี้เป็นต้นนะครับข้อที่สิบเอ็ดอยู่คนเดียวหรือว่าลุกขึ้นมาแต่หัดยุตตอนกลางคืนแล้วก็ร่วงห้อยทำจนเวลาเนี้ยจะสง่า ง, งามไหนทุ่งมาชัดข้อที่สิบองเอแค่สิบสองข้อก่อนนะครับผู้ที่ผ่นปลลูกนี้เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมล่ะ เนี่ยขายืนไปทางของสองล้านน่ะตัววิ่งเวลาตัววิงว่งไปแจ้งตวรวจจับได้ไหมได้แต่ทําไม่ทํำก็ฉันไม่ทำ ก, ทำก็ฉันหวังว่ารวันๆๆจะอรรน์หน่อยจะได้เดินในทุ่งมาชาัดแบบแบบอะไรแบบสง่างามอ้าอเอาแค่สิบสองข้อนะอย่างแร่เป็นตน้นคิปที่ที่ผมชอบนะรู้ไหมทั้งหมดอ้าสิบสองข้อใจชอบนี่ว่าไม่แต่งตัวตาม แฟชั่นเราปลอดภัยนะอินชาอัลลอฮฺท่นแต่งตัวตาม ต, ตามแฟชั่นเนื่อยนะ่ะยี่ห้อใหม่มา ก, ก็ซื้ออีกนะครับเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนนาะน ล, ลอรับบัตรใส่รองเท้ายังไงโอ้นะโห ใ, ใส่นู่นใส่นี่อักบุญแค่นี้พอครับอัลเลาะห์ตูเจจากุลูนัฟซิมบิมากัสเซบัตมากัสซาบัตลาซุลมาลยาะ อินน่าลลอฮฺซารีอัลฮิซับต่อมากับยัติสิเพ็กวันซิรยาวันซิรุมยาหฺมัลอาซิฟะอิลกุลูบลาดัลฮานาจิรกาซิม ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع ا ل ل ه الحمد لله نعوذ بالله وأنزرهم يوم الازفة إذ القلوب لا دل حنا ج ر ك ا سمين มาลิ ظالم ีน์มินฮามีม์วลาชฟีอียุปอัลยูบิลาอันนี้เล่าถึงภาพในทุ่งมะหัศว่าโกลโลห์นยังไงลำบากยังไงวุ่นวายยังไง แต่ละคนแต่ละคนวุ่นวายไม่เหมือนกันแต่ละคนเลยนะเมะื่อวานมีคนถามบอกว่ า, วาตอนฟื้นขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นุ่งผ้าแล้วก็ไม่มองกันหรอไม่มองหน้าอกกันเลยนบีกล่าว่านี่ไงอาญานี้เตือนไม่มีใครมองใครหรอกเามาดูสับ ว่าอังวิโรหุมจงตักเตือนพวกเขาคือเตือนให้รู้ว่าเองเจอแน่ให้ระวังตัวให้ดีนี่เล่าให้ฟังว่าอังวิโรห์มจงตักเตือนพวกเขายามันอาซีฟาถึงวันวันแห่งการลงโทษหมาถึงวันอาคีอรอนนี่นะชายศัพท์ใหม่อาซีฟะ วันที่ใกล้เข้ามาวันที่ใกล้จะมาถึงแล้วยาวมัลอาซิบาแปลว่าวันที่ใกล้เข้ามานี่ก็ล้ำเดินมาเนี่ยเราก็เดินไปต่างคนต่างเดินไปจะไปเจอกันเห็นไหมเรียกว่ายามัลอาจิบาเป็นวันเกี่ยมะเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของวันเกียยมาสบายใจไหมเราเล่าอะ ต้องบุอการ น, นาบีมามาดเอ้ยระซูลของอร่ยเอ้ยแต่เตือนผู้ท่านนะชาวมาักกาะเนี่ยวันหนึ่งจะต้องมาอย่างแน่นอนอันใกล้นี่แหละจะต้องมาเตือนเขาให้ดีวันนั้นหัวใจอิลอิลอิลกูลูดวงใจเมื่อดวงใจลาดามาถึง อัลฮนาเยร์คอหอยจกมาถึงคอหอยดวงใจอ่ะมาจุกมาถึงคอหอยทำํำไรอยู่ตรงนี้ใช่หัวใจใช่ไหมแต่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะ <c oughs> นี่เล่าให้ฟังหัวใจมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่วันเกียมากพอฟื้นขึ้นมาใจมันอยู่ตรงคอหอยอ่ะนี่บางคนนะ่ะไม่ใช่ทุกคนนะอย่างคนที่ อามอาจารเน่เดินสง่างามหัวใจอย่างที่เดิมนั่นแหละแต่อีกบางคนหัวใจมาถึงคอหอยมาจุกกูที่คอหอยหายใจไม่ออกอะ่ะทรมานมยิ่งโรคโควิดยางั้าไมหายใจไม่ออกล้วเอ็งดานาบีเอวไงง่ะดาอัลลอฮ์ดารอซูลดาอกุรอานไม่นามาตรมไม่ใจสากาศโอ้โหตามมาเต็มเลยนะอย่างนี้เป็นต้น รอเล่าให้ฟังนะไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหานะครับแต่คนเชื่อมีไหมอย่างน้อยก็สองพันล้านแล้ววันนี้วันสิริุมจงตักเตือนพวกเขาเยาวมันอาซิฟะวันหนึ่งใกล้เข้ามาแล้วนะให้เตือนให้รู้มาแน่ๆอีวิลกูลูเมื่อดวงใจกอนบุญก้นบ้าจะว่าดวงใจ และดัลฮานาจิรมาถึงมาจกุกมาถึงคอหอยแล้วข้อที่สองกาซีมีคมขืน เ, เป็มไปด้วยความคมขืนเครียดเครียดครับเพราะอะไรเพราะเองแอนติอิสล nah, ามแอนติอัลลอฮ์แอนติรสนุลแอนติสุนนะนบีดาอัลกุรอาน ون, ดานนูนดานี้ เชิญตามสบายบนดุญยานี่ไม่มีใครห้ามคนเรกขึ้นศาลทางแพทก็ได้เชิญตามสบายเลยวอาจา้อันี่อรรถเล่าให้ฟังคนที่แอนตี้อิสลามแอนตี้นบีแอนตี้อัลลอฮ์แอนตี้รอซูนแอนตี้คสวนของนบีทั้งหมดหนึ่งหัวใจมา จ, จุกอยู่ที่คอหอยอันที่สองกาวิมีนคมคืนเครียด เราเคเคยเป็นใช่ว่าล่ะประธามีปัญหาเดือดร้อนหนังๆนี่เครียดตลอดบังบัดมีคนมาปลอบใจมีไม่ไม่มีครับบนดุลยามีคนปลอบใจมีภรยาปลอบใจมีลูกปลอบใจมีเพื่อนปลอบใจแต่อาคย์เรามีไหมตัวช่วยไม่มีครับดูต่อไปมาลิริมินมาแปลว่าไม่ไม่มีลิรอลิมสําหรับผู้ธรรมได้ไหมอรรย์อรรย์ใช้สับใหม่นะ ผู้อธรรมอธรรมตักุราอนอธรรม ต, ต, ต, ตุนนนบีอธรรมตักตตนบีมมัดอธรรมหมดเลยนะครับตําหนิมินฮามีามีแปว่าเพื่อนหรือมิดวันนั้นมิรไม่มีเพื่อนมมีเองลบากลำบากคนเดียวเยัไอไอภาพคนที่เป็นโรคโควิดนี่ฮะดีุรานอธิบายด้ยนะเวลาหายใจไม่ออกนะ สูดูดนะช่วยหายใจได้ออเออเห็นยังเนี่ยกูอาเลนะเวลาเองหายใจไม่ออกเนะี่ยสูดดูดนสะิพอสูดดูดเนี่ยหายใจออกนะอนอนเนี่ยพอนอนคว่ำเนี่ยนั่นสอนอะไรครับทําไม่ใช่ปัญญาคิดคิดไม่ออกกับเรื่องตัวเองนะครับตัวลงว่ามาริโซลีมินามินาฮามิงวันนั้นระบาคแค่ไหนหัวใจมาจุกอยู่ที่คอหอย แล้วก็ขมคืนเครียดมากตัวช่วยมีไหมเห็นไหมมินฮามีมาลิโกลิมีนะมินฮามีมิตรไม่มีเพื่อนไม่มีคู่หูไม่มีที่รักเราไม่มีที่พาเราที่อเอารถมาราบหน้าบ้านนะ่ะทําที่นากระชั้นไหมช่วยสิแล้วรูปเจเวิติขึ้นเคารพอยู่นะ่ะช่วยสิไอตําแหน่งในสภาช่วยสิหายหน้าไปไหนหมดแล้วนี่ยเราเล่าเล่าให้ฟังนะ อันนั้นอะไรอยู่บนดวงานี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยนอกจากกีมานและตักวาเท่านั้นที่ช่วยได้นองนั้นช่วยไม่ได้ครับต่อมาครับแล้วชาฟีชาฟียเป็นอะไรนะไทยแทนโทษไม่มีใครมาช่วยไทยแทนให้เลยครับไอเรานี่มีปัญหาชาฟียมีไหมมีนบีมุฮัมมัดช่วยอยู่แล้วดานาบีใครจะช่วยละ่ะ อะต่อมาครับอยู่ต่อแปลว่าถูกเชื่อฟังถูกเชื่อฟังถูกปฏิบัติตามขอร้องเท่าไหรไม่มีใครเชื่อไห้ไม่แต่มุมินเวลามีปัญหาเดือดร้อนไปหานาบี น, บ, นบีช่วยหน่อยช่วยจะช่วยักอย่างนี้เป็นต้นพอพูดออกไมีปัญหาขอร้องนบีขอร้องอัลลอฮฺอัลลอฮฺยังช่วยอ่ะแต่คนเหล่านี้ขอร้องเท่าไหรไม่มีตัวช่วยเลยเพราะอยู่บนดุลยาเอง ไ้พึ่งกับเจเวบไ้พุ่มกับโตะตะเกียร์โตะระยองอาซิมัด ต, ต, ต่างๆพวกหมอดูเนี่ยไอตัวช่วยบนบนยานะเรียกมาเสเรียกมาช่วยอย่าง น, นี้เป็นต้นช่วยได้ไหมไม่ได้เห็นอย่างนี้อันดับที่สองคืออันดับนี้ต้องการจะเตือนเตือนเราว่าให้กลัววันอาคืนร้อยมากกว่ากลัวชีวิตบนบนยา ให้กลัวอาคือรอดมากกว่าชีวิตบนดุนยาอ้าวบางคนกลัวเรื่องเงินใช่ไหมกลัวเงินจะน้อยริสกีนี่ยเอาลอบกาหนดใช่ไหมตั้งจะอยู่ในทองของมารดาใช่หรือไม่ใ ช, ใช่วันที่เอาลอบมาเป่าวิญญาณให้เราให้ลูกเราอยู่ในทองมารดาอายุได้ร้อยยี่สิวันเอาลอบให้สี่รายการมันต้องนึกหนึ่งอาญาลูรูริสกีของเขาได้เท่าไหร่ สองวันหมดอายุเมื่อไหร่เอกตายเมื่อไรสามเองมีอาชีพอันที่สี่คุณจะเป็นคนดีหรือคนชั่วนี่เลือกไม่ได้เลยนะไอ้ข้อสีนี่เลือกไม่ได้เลยนะไอ้ข้อสีนี่เลือกได้อีกสามข้อนะ่ะมาต้องเลือกไอ้ข้อที่สี่เนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วนี่ให้เลือกดันไปเลือกชีวิต ที่ไม่มีศาสนาแล้วเป็นไงก็เจอลำบากในโลกอาคิเรา อ, อย่างนี้เป็นต้นนะครับในอัลกุรอานอธิบายไว้นะก็บอกว่ากูลูหัวใจที่จุกมาถึงกอหอยอันนี้คนที่แอนติอิสลามนะคนที่ด่ Allah, ดาอัลลอฮ์ด่ารอซูลแล้วก็ขวามซุนนะนาบีแล้วก็ กาเมีนเครียดขมขืนโมโหตัวเองทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็ตัวช่วยมีไหมไม่มีผู้มาถ่ายแทนโทษช่วยปัญหามีไหมไม่มีครับนั่นคือการทรมานในทุ่งมาชาติแต่ไม่ตายนะครับเอาต่อมาครับยาที่สิบก้ายาลามูคอยนัลอายุนว่มาทุกขฟิสุดู ยาลมุขาอินตัลออญว่ามายุขฟิสุดว่ามาตุขฟิสุดูอัยาที่สิเก้าในเตือนนะเตือนมุมินอยู่บนโลกดุนยานี้วางตัวยังไงให้สาง่างามพครอยู่ในสังคมเนี่ว่าล่ ะ, ละมีผู้หญิงมีผู้ชายผู้หญิงบางคนก็เดินแก่ผ่าให้เราเห็นอ่า มีเห็นหมดเลออยเนี่ยบนตุนยายนี้ให้เราเลือกเอาไงจ ะ, ะ เ, เลือกแบบไหนจะใช้ชีวิตแบบไหนที่มันสงบง า, งามที่สูจน์ในรศสอนนะเรื่องสายตาเรื่องสายตาครับตาเราอลอฮให้ม า, าอัลลอศตะวันเกีย ม, มตินะภรรยาอาลัลลอฮ์ก็สอบบ้านคุณอลัลลอฮ์ก็สอบความสุขบนเตียงนอนอลัลลอฮ์ก็สอบเงินใ น, นกระเป๋าคุณอลัลลอฮ์ก็สอบได้มายังไงอะ่แะแต่จ่ายไปยังไงสอบหมดนะ นี่สอบเรื่องตายาลามูแปลว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงรอบรู้คออินะแปลว่าการทรยยศการทรอยยศพระายยศการทรอยยศอายุนดวงตาที่ทรอยยศอธิบายยางไงถ้าไม่อ่านตัมซิดไม่รู้คือ ท่านอิบนาอับบาสอธิบายเองนะครับว่ามีชายคนหนึ่งเข้าไปในบ้านของเขานุญาตกระบีอธิบายนะอธิบายอนุญาตนี้เองนะเพื่อเข้าใจง่ายๆนะชายคนหนึ่งเข้าไปในบ้านของเขาไปหาภรรยาเขาที่ภรรยาเขาได้มีเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งของของภรรยาเนี่ยนั่งอยู่พอเห็นเขาปั๊บเนี่ย ตามก็จ้องมองก็ดีิสัยคนทั่ ว, วไปเห็นผู้หญิงมันก็ต้องมองไงนะถ้ามองแล้วสวยอ่าอันนี้ก็อธิบายนะ้ำมองแล้วประทับใจพอประทับใจก็มองซ้ำมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกแล้วก็คิดโอ้โหนี่นะถ้าเป็นของเรานะอเอ็งคิดอะไรนี่ไนงะเราจะสอบ ม, มึงละ ยาและหมูคออินาจันอาหยุนอัลลอฮ์ทรงรอบรู้การทรยศของดวงตามองแล้วถ้ามีศาสนามองได้กี่ครั้งครั้งเดียวแล้วก็ลดสายตาให้ตามลงนึกถึงอัลลอฮ์เออไม่เอาไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวถูกสอบให้เราอาคริรอดถ้าศาสนาไม่มีจ้องแล้วจ้องอีก จ้องแล้วจ้องอีกแล้วก็นึกอานึกภาพนูนภาพนี่ภาพบนเตียงนอนเลยแหลวะว่ายง่ายนี่แหละอัลลอ์ะจะสอบคิดอะไรฉะนั้นมีศาสนาเขามองกี่ครั้งครั้งเดียวพอแล้วแล้วก็ว ล, วลดสายตาอยากจะมองไหมอยากมองแต่อยากมองแต่ไม่มองเพราะกลัวการลงโทษจากอัลลอ์ลอัลลอ์ให้คุณได้รับ แรงนะความหวานช่าของอีมานเห็น ไ, ไหมอยากจะมอง อ, อัลอฮฺอัลลอฮไม่เอา้าไม่มองไม่มองไม่มงนี่นะเรียนศาสนานสบายใจอย่างนี้ไน่นพี่น้องเห็นยังครับถ้าไม่เรียนนี่นะ่อาอัลลอฮฺให้ตามมาอัลลอฮฺให้ทําอะไรก็ได้มองอะไรก็ได้ใครบอกคุณละ่ะที่สอบนะสอบสายตาดวงตาเองจ้องมองอะไรครับต่อมาครับวา่ายุคฟิสูดู และมาแล้วว่าสิ่งที่ยุคฟีถูกซ่อนฟิสดูตยุคฟิทที่หัวอกของคุณเก็บอะไรไว้อะเวลามองผู้หญิงแล้วนึกอะไรนั่นแหละอรรจะสคุณนวนรณเกี่ยมคิดแบบนี้ใช่หัหยคิดทำไมมารยาคุณเหรอไม่ใช่ทำไมคิดแบบนี้อ่ะสุปกปกนี่เล่าใหฟังไม่เชื่อก็ได้เอ๊ะคุณอ่านทำไมสอนอย่างงี้แล้วกับกุณอ่า น, นี่ย ้าคุณอ่านสอนไงที่อ่านกุรานให้สอนชีวิตเราเอออยู่อย่างไร<ม>เราพอใจแกไมกเราจะใจเมตตาเราสงสารเราขอารัวรับหมดเลยแกไหมคนดีนะ่ถ้าคนในทรยศแค่ ด, ดวงมตาที่ทรยศเราคิดบัญชีท่านทุ่งมาชัดยิ่งใหญ่มากครับเพราะนั้นอันนี้คนที่ ลำบากในโลกอาคิอรอเนยผมเช็คจากฮะดิษนะเอาไปสักสิบห้าข้อก น, นะข้อที่หนึ่งคนที่ทิ้งน้ำมานข้อที่สองคนที่ไม่จ่ายอากาศมีเงินไม่เคยช่วยใครเลยนะเองเจอนะแต่ดุญยานี่อยู่สบายไหมสบายสิเงินเยอะนะ่ใช่ไหมมาได้ช่วยใครเลยข้อที่สามคนที่กินดอกเบี้ย ข้อที่สี่คนที่ฆ่าคนลำบากหมดเลยครับตอเนียแต่เท่าเตาบ้าตัวนะก็ปลอดภัยนะต่อมาครับคนที่โกงทรัพย์สินประชาชนโกงที่ดินโกงบ้านโกงอะไรก็ตามแต่นะครับเอ็งเจอหมดนะข้อที่ห้าคนที่ร้องเรียนรรียนคนนะด่ากนนนดาคนนี้รอสารพัดนี่ยึดบุครี ข้อที่เจ็ดคนติดตะกบุญเยอะยิงเจ้าของลำบากหมดในทุ่งมังสัตตะกบุญนะข้อที่แปดรับปากแล้วไม่ทำตามสัญญาเองถูกครับฮันดีแฟนมุสลิมข้อที่เก้าขอเงินประชาชนโดยไม่มีความจำเป็นก็ขอติดนะิสัยะขอเงินขอเงินขอเงินอิสลามห้ามขอนะ นอผมก็กลัวมันเลยนั่งขอทีวีเนี่ยถึงดูนะอันตรายมันก็นนะ่ะต้องนึกเยอะนะ่ะขอเงินชาบ้านก็นะนอบิลาเหมืนซาลิกนะครับข้อทีส่สินะครับทําความทําความดีเพื่อ อ, อวดลำบากหมดเลยครับนามาเพื่ออวดแต่งตัวอวดใสน่นาฬิกาอวด ใจมเนื่อขับรถอวดมีเมียสวยเดินอวดเองเจอหมดฉะนั้นอ้อวดต้องไม่มีในะอิสลามทำเพือ่อ Allah หมดเลยลิลลัลลิลลัลิลลัลิล ล, ล, ล, ล, ล, ลัต่อมาข้อที่สิบสองนะครับผู้ชายที่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับภรรยาเห็นไหมมีภรรยาคนสองคนไม่ให้ความเป็นธรรมมาเขามาตบเขาตีเขาเตะเข า, เ, ขาเอามารยายของใครมาใชา้ นบีมีภรรยาหลายคืนไม่เคยทะเลาะกับภรรยาไม่เคยทะเลาะกับลูกๆเอ็ามารยาของใครมาใชา้นี่อ่ะพ่อดานบีอ่เลยไม่รู้เลยว่านบีอยู่กับภรรยาอยู่ยังไงเอาเงินในภรรยาใชา้ในผลและบุญอัลลอฮ์มากกว่าสร้างมัสยิดอีกร่ำโดยละข้อที่สิบสามทรยศต่อบิดามารดาตัวเองเนี่ยหนัมกมากครับนี่พ่อแม่นะ พ่อแก่ๆที่ลูกทีไม่ให้ตามพ่อแม่ใช้นะต้องขคยืมลูกอ่ะทำไมลูกเป็นอย่างนี้อแสดงว่าลูกไม่เอาไหนอ่ะให้พ่อขายืมสตางค์ให้แม่ขอยืมสตางค์อ่ะทำไมไม่รับผิดชอบดูแลเเขาเลี้ยงมาตอนเล็กๆก็เลี้ยงมายัางไงอ่ะลำบากขนาดไหนเนี่ยไม่เคยบนสักคำหนึ่งอ่ะ อเวลาพอโตหน่อยมีเงินเดือนได้หมื่นสองหมื่นแสนสองแสลืมพ่อลืมแม่เอ็งระวังให้ดีหนะ่อยลูกประเภทนี้เนี่ยนะครับต่อมาครับผู้หญิงที่ทำตัวเป็นผู้ชายเนะี่ยระวังให้ดีนะเอต้องเลิกให้หมดนะนี่กรก ร, กระทบนี่แรงนะเนี่ยเพาเมืองไทยเยอะนะอะต่อมาข้อที่สิบห้าผู้ครอบครัวที่ปล่อยให้ผู้ชายเข้าบ้านโดยไม่ขออนุญาต เข้าออกนอกบ้านอิสระนะอย่าทํานะพี่น้องแล้วก็แก่แล้วยังเข้าบารอีกนายคลับเองอะ่ะแก่แล้วก็ทําศซน่ายิงอ่ายุแต่เจ็ดสิบหกสิบก็น่งเกนงขาสั้นเข้าเข้าบาร์ในคลับอยู่เลยทําทําไมอะ่ะแส้ง ว, ว่าเขาไม่รู้จักอิสลามแล้วก็ข้อข้อสุดท้ายผู้ปกครองที่อาธรรมกับประชาชน ผู้อาธรรมผู้ปกครองที่อาธรรมพอให้าชานาเขลําบากใช่ไหมไม่ดูแลก็าละ่ะรัฐสวัสดิการมีดูแลกขาสินี่ข้าวก็ทูบแต่ดินนิดนะข้าวก็ทุกันมันก็ทูกข้าวเนี่ยทุกมกาม่าเอะกว่อันนี้แค่ไี้พอนะนองจะบินลอนมันได้กับเราอต่อมาครับระยะที่ยี่สิบเอ็ดระะที่ยี่สิบ والله يقضي بالحق والذين يدعون من دون الله لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله ب د ي م ا والله يقضي بالحق والذين يدعون من دون الله لا يقضون بشيء إن الله هو الشامع البصير ยกร <ض> ะ <inclu> บ <ir> ีแปลว่าตัดสินอ่าอัลลอฮ์ทรงตัดสินบิลฮักด้วยความยุติธรรมตามจริงเลย อัลลอฮ์ตงเปกอัลลอฮ์นี่เล่าให้ฟังนะบางคนยังสงสัยว่าเราเข้าข้างใครหรือเปล่าไม่เข้าขางใครอ่นะตัดสินตามความเป็นจริงต่อมาครับวัลลีนยยดอนนะบรรดาผู้ที่วิงวอนหรือขอหรือเรียกร้องอื่นจากอัลลอฮ์ ไม่ขอจากอะอรเราขอจากโทษะจากเกียร์ขอจากต้นไม้ขอจากผีขอจากอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายานะอืนจากอะอรนี่นะแล้วเล่าให้ฟังเองนะลายาโคบูนบิชไม่สามารถตัดสินอะไรได้เลยไม่สามารถช่วยคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียวจเจวีตช่วยไม่ได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอื่นจากอัลลอฮ์ Allah ช่วยไม่ได้บารมีชื่อเสียงที่มีอยู่ช่วยคุณไม่ได้เงินที่มีอยู่ก็ช่วยไม่ได้ตำแหนง่งฉันเคยเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีใช่า่เเฉพาะในดุนยาอันอาคือเราเอาไปใช้ไม่ได้ครับเห็นยังนีเล่าให้ฟังไม่เชื่อก็เชิญตามสบายอินลอฮ์แท้จริงอัลลอ์อั ส, สมียะูซงได้ยินหไหย พี่น้องเราที่ไม่เอาศาสนาไปแล้วไปขอจากต้นไม้ขอจากจเวิตเนี่ยเราได้ยินหม<บ> ด, <บ>ดเองขออะไรอยูด่ดูดูสิเพื่นมึงไปขอกับสิงเวิตแล้วจบตั้งด็อกเตอร์คิดกันไม่ออกเลยเนี่ยในคนุณอาเตือนนะจบเป็นยาโทรแต่คิดอะไรไม่ออกเลยเลยเราอย่ามีเป็นต้นนะแต่นิดนิดพอ อัลบาสิีดอัลลอฮ์ทรงเห็นนี่ต้องการจะเตือนนะครับว่าเป็นอกคดีได้นะฉะนั้นใครที่ไปวิงวอนเขารบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ขาดทุนหมดเลยครับแต่บนดวนทร์นี่อัลลอฮ์ให้ไหมให้อะไปเลยมีห้าคนมาต้องแต่ด้วยนะครับเลี้ยงแบบบุฟเฟ่อมีบ้านกับ้า น, า น, านคนละหลังหละหละังมีรถอีกห้าหกคันเอาไปเลยชื่อเสียงตําแหน่งเองได้เฉพาะโลกดุงจันทรอย่างเดียว อาคือรถได้ไหมแค่แบกใส่โลไปแล้วเองจะพาฉันไปไหนฉันไม่ป้าฉันอ า, อาอัลยาที่ยี่สิครับอวัลัมยาซิรุฟิลอร์ฟายังซุรุกไอฟะกไอฟะอาติบะตุลละลีนักานูมิงกอบลิม كانوا أشد منهم قوة، وآثارهم في الأرض، فأخذهم الله ب ذ ن و ب ه م وما كان لهم من الله م ن و ا ق الحمد لله. أ و ل م ي س ي ر و ا ف ي ا ل أ ر ض ف ي ن ع ذ ر و ا كَيْفَ كيف ا ت ِ ب ط َ الذين ق ب ل ِ ه م كيف آتي كيف ا ت ِ بطل الذين كانوا من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة وآثارهم في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم. ว่าม่แล้วนั้นที่นันี่นั่นที่นั่นที่นั่ี่นั่นีนีมนกครี่นับอที่นั่นีนนี่นั่นนั่นที่นัออนนกกที่นั่มทีรนั่นที่นค่น่นั่น่นั่นทีนทีั่ท่นั่นที่นัทีนะยาซีรูั่น่นทนท่นั่ที่นัที่ อิสลามเป็นาศาสนาเดียวนะที่เตือนบวกการเดินทางเป็นาศาสนาการออกจากบ้านเราไปเนี่ยเดินทางไปดูอะได้นะมักคูลของ Allah. อัลลอฮฺางทีน้องที่ออกดาว่าก็เหมือนกันก็กไปไม่ใช่ไม่ใช่ไปสอนคนอย่างเดียวต้องมองด้วยอมองอะไรแต่อะไรเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยไปแล้วเนี่ยมาไม่ใช่มุ่งอยู่คนนี้นะ คนอเลอด์จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอยู่ที่เอเลอร์หมดเลยนะเราไม่น่าที่เตือนเรามองดูเหตุการณ์รอบๆมีทั้งหมดหกเจ็ดรายการเนี่ยเวลาออกเดินทางไปไหนเนี่ยเคยอธิบายแล้วนะนะข้อที่หนึ่งอเลอร์ถามนะอาวารัมยาซีรูพวกเขาม่ได้เดินทางหรือท่องเที่ยวตามแผนดินบอกรึ <c oughs> แล้วก็ ข้อที่สองสายัง่งรูรูพวกเขาพิจารณาหรือมองมองนี่ต้องพิจารณาด้วยนะไม่ใช่มองอย่างเดียวมันก็ไม่ไม่พิจารณานี่อลัลลอฮสั่งนะเวลามองต้องพิจารณาด้วยแล้วเจอผู้หญิงทำไงต้องลดสายตาถ้าไม่วลด้าวะอะไรนะตาอะไรนะ ดวงตาที่ทรยศเห็นไหมถ้ามองไม่เยอะดวงตาก็นี่มีอีมานถ้าจ้องแล้วจ้องอีกนึกภาพบนเตียงนอนเลยนะครับเรียกว่าการทรยศของดวงตาเอาต่อมาครับไกฟะอย่างไรอากิบะผลสุดท้ายอัลลลีนากานูมิงกอบลีมคนที่มาก่อนหนะ้าพวกเขา เป็นยังไงบ้างในอดีตมีใครบ้างไหมที่สง่างามแต่ละคนแต่ละคนลองอ่านประวัติศาสตร์ดูสิอัฟฟาโลเป็นยังไงลกอรูลเป็นยังไงฮามานเป็นยังไงเ ด, ดซีปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนึกที่เตือนชาวอาหรับอาหรับผ่านเ ด, ดซี ใช้ควคิดอะไรบ้างร่อนไล่นะครับกาโนอาชาดมินหุมกุวาอาชาดแปลว่าเข้มแข็งกว่ากุวาพลังมีกำพละกำลังที่เข้มแข็งกว่าพวกคุณในมักกะทั่วโลกก็ได้ความะนะนะความเข้มแข็งพละตัวใหญ่ นบีเล่าเองนะครับคนในยุคก่อนเนี่ยอายุเท่าไร่รู้บ่าพันปีเก่าร้อยปีใช่ไหมแลวเราอายุเท่าไรเจ็ดปีเนี่แยแแล้วต้องกินยาประคองแล้วยังอวดดีเรอนี่เล่าให้ฟังคนในยุคก่อนที่ผ่านมานะ พละงกำลังแข็งแรงกว่าพวกคุณมีเงินมากกว่าคุณร่างกายก็ใหญ่กว่าคุณเงินมากกว่าแล้วก็อยู่บ้า น, นสกัดหินอยู่ตามภูเขาดีกว่าคุณเองอะ่ะแต่คุณอาจจะมีอะไรสูงแปดสิบชั้นร้อยชั้นพันชั้นกว่าไปใช่ไหม่ะเพราะ น, ะนาบีทำนายอะไว่วาใกล้ๆกวันเกียมะคนจะแข่งกันสร้างอาคารแต่คนในยุค ก, ก่อนเน่เข้มแข็งกว่าพวกเรานะ่ ว่าอาซารอนและร่องรอยที่อยู่ในแผ่นดินนี่งัเด็กซีนี่ร่องรอยแผ่นดินหรือเปล่าใช่เห็นไหมฟารโรตายศกเก็บมัมมี่ไว้นี่ท่องรอยกับแผ่นดินนะเปรมิดร่องรอยกัแผ่นดินเนี่ย ท, ที่สร้างมันไว้สร้างมันไว้สร้าง ไ, ไ, ว, าง ไ, ไว้อล่าเล่าหมดเลยเนี่ยมองสิพิจารณาดูสิแต่และนี่อย่างที่ทอิตาลีเดียอะไรนะทชัชมา ผมอยู่อินเดียมาแปดเก้าปีไม่เคยไปทัสมาหันสงคนขึ้นรถขึ้นเคร่องบินออกไปทัสมาหานแต่ผมไม่เยไม่เคยไปไม่เล่าเพราะเหตุใดคือถึงไม่ไปนะร ะ, ะแวกนีพอแต่สุเราบุปไปประจําอ่ารอบกูไม่ถามมึงมาได้ไปทัสมาหานบนรลละบนไม่มีมีไหมไม่เกี่ยว ทำไปสุราเปล่าต่อมาครับอาชัดดัมินฮุมปัวมีพลังมากกว่าพวกคุณว่าอาซารและมีร่องรอยบนบนหน้าแผ่นดินอัลลอฮ์เป็นอนุสอเนี่ยนะฟาอาคอซาหุมุลลอห์บิซุนูบิฮิมดังนั้นอัลลอฮ์ได้ทำลาอาคอซาหประวัติเอามาถึงทำลายลงโทษพวกเขาเหล่านั้น บีซูนูบีหิมเพราะความผิดของพวกเขาเพราะความผิดของพวกเขาที่ทรยศต่ออัลลอฮฺทรยศต่อหนบีของเขาที่มมอัลลอฮฺส่งมาออย่างเนี้ยนบีนวัวน้ำจมจมน้ําตายเรื อ, อยังอยู่ใช่ไหมที่ภูเขาอะไรอะ่ะยูนดีนั่นเราไปไปเช็คดูสิแล้วก็ที่ภูเขาอะไรอะกาฟีน่ะนนเห็นไหมมีร่องรอยให้เห็นหมดเลยนะ่ะนั่นคือ อ้อนลงโทษลงโทษลงโทษลงโทษพวกความผิดของพวกเขาที่ไม่เอาอิสลามผ่านนาบีคนคนก่อนแต่ละยุคแต่ละยุ ค, ยคไม่เหมือนกันนะครับรอบอกต่อมาครับวามากะน่าละหุมมินาลอฮิมีวะมากาแปลว่าไม่มีละหุมสําหรับพวกเขามินาลลอฮิจากอ้อมีว่าเพราะว่าตัวช่วย บางบีชายชายชายสาวาบางทีกับนอสติกุลบากีกัชอฟี่อุนบางีขา ม, มีมุลชายสา์หลายครับต้องการจะบอกว่าตัวช่วยเองไม่มีหักลากเพาะว่าตัวช่วยาการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺไม่มีสำหรับคุณจะเวทที่คุณบูชาช่วยไม่ได้ชื่อเสียงที่มีอยู่ช่วยไม่ได้เงินคองคุณอยู่บนดุลยานี่จะเป็นกิพันล้านก็าตามช่วยคุณไม่ได้ในวันที่จมาลองตายดูสิ นึกภาพอ่ะเราคนตายอ่ะผมก็นั่งยืนมองนึกหมอนเคาจะไม่ดึงออกเอาอะไรใส่แทนดินรวยอ่ะคนนี้น่ะรวยอ่ะนึกชอบไปยืนตอนเเด็กไปยืนตอนนี้ไม่กลายย้ <c oughs> <c oughs> ยลลายืนเพยืนแล้วน้ำตาจะไหลอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับ ตกลงว่าคนแม่งเอาสนาลำบากบนเลยนะเอาสาสนาได้รอดหมดอาแสุดท้ายกับ the ل ُ ه ُ م a n nahum tatihim rusuluhum bilbayinat f a k f a r ل fakadahu mulla i n n u q شَدِيدُ الْعِقَابِ ซาลิกะบิอันนาฮุมกาณิตติอิมรุสุลู ب ุมบินบ ا ت น ف َ ك َกَฟُรูฟَ أ خ ذ ُ م ُ ل َّ ه ه إنّه قويٌ شديدُ ع ِ ق َ ب َที่ลงโทษเพราะอะไรซาลิกะนั่นเป็นเพราะบิอันน ه ُุม พวกเขาเหล่านั้นกานัตาตีหิมได้มาหาพวกเขาแล้วได้มายังพวกเขาแล้วอะไรรูซูลุฮุมบัรดารซูลอัลลอฮ์ทรงโรซูลมาก่อนแล้วทรงนบีมาสอนแล้วัางยุคราก็ทรงพูดอ่านมาให้แล้วทรงนบีมุฮัมมัดมาแล้วทรงซาฮบะมาแล้ว มีบุคคลตัวอย่างตัวอย่างดีๆตั้งเยอะแยะนะบิลบบยนาพร้อมกับนำเอาหลักฐานที่ชัดแจ้งมาอธิบายมาสอนแล้วฝาก้าฝาการูพวกเขาเป็นไงปฏิเสธได้อีกปฏิเสธอย่างเดียวไม่มีปัญหาไปอยู่ไปให้เงินให้ท้องอีกให้ตำแหนง่ง ดาวล่อเอกไอตนดาเนี่ยเด็เราเอาดายิงดาแม่กูให้มันรวยมากขึ้นเอาให้มันหลงไปเลยเห็นไหมยิงดาเอาล่อยิงดาอิสลามยิงดาหนาบียิงดาสุนนันให้มันรวยมากกว่าเก่าเลยเอาไปยิงหลงเลยยิงหลงหลงหลงนึกว่ากูแน่ที่นายได้หลอกถูกหลอกบนดุนยาไปนี้เพราะโลกใบนี้โลกจะหลอกลวงเอาตอมาครับฟาก้าฟรู ทรยศฝออ่าอาคอดาวุโมโลอัลลอฮ์ก็ได้ลงโทษพวกเขาได้ทำลายพวกเขาเห็นไหมตัวอย่างมีในอดีตบอสเดินทางไปก็เห็นโอ้อลัลลอฮ์นี่ไงตายจริงเดดซีมีทำไ ม, มอลัมอลลอฮ์อับบาดมีพีระมิดมีทำไมอัลลอฮ์มีโอ้ยอะแยะไม่หมดสเกต อินน uh ้าวคาวิยุนชาดีแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคอวิยุนผู้ทรงพลังเองเก่งนะอลัลลอฮ์เก่งกว่าอย่าไปดื้อว่ า, ข, าข้าเก่งนะมีเงินเยอะนะโอ่ก็รูปป้ไปไงครับคุยนะฉันมีเงินเยอะเป็นไงครับ อ, อัลลอฮ์มารซาให้ไปดินสูบ ล, ลงมาอัอฮฺุบิลลาฮฺมิซาเลกชาดีดูหลไยกอบในครั้งที่สองแล้วนะ ครั้งแรกอายะที่หน่อายะที่สนี่มาฮามีมตันซีลุลกิตาบิมินอัลลอฮิมะซีลุลอาลีอัลฟิริซัมบีอบิลิตาวบิษดีดูลอิกอบนี่ไงชดีดูลอิกอบอัลลอฮผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษนบีเลยสั่งนะผลละมาสงมว่าเวลาเจออานายนี้ชิดีดูลอิกอปพูดยังไงนะลาตัวอาติบนี อย่าลงโทษฉันเลยอัลลอจ้าจมีใครกี่คนที่นึกถึงอัลลอ์นะ่ะโตตะเกียช่วยน้อยมีปัญหาเดือดร้อนเ อ, องเจอครับพิษยังแรงเลยนะครับดันั้นเวนลาอ่านไปเจอซาดีดุลลอยกอบอัลลอผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษขอพระละตุมาอักิบนีอัลลอจาอย่าลงโทษฉันเลยขอญาตขอเก่านะ ฟ้อาาศกอบฟิลิซัมบีเดบรอิคฟิลลีใช่ไหมจำได้ใช่ไหมอ่กอบิลิตเตาบีอิบัลตาปฏีอัลลอฮปรดรับการลุกโทษของฉันชาดีดีรอยกอบลาตัวอากิบนี้อย่าได้ลงโทษฉันซิด ต, ตาลิผู้สรงภัยบุญตุลาลลยอยา่าไปคอยรีนปรดประทานรางวัลให้แกฉันด้วยเถิวะละอ่าน อายาทีสองของซูระเนี่ยอฟือซูรมุมินอย่งนี้เปนตันึงมันเวลาคับขาน้าุมมว่าจะัมิกวลลาอิลลอิลลัอันตะอัสตักิกัวตูบิ